ก็อาศัยบางทีก็ต้องระวังเนาะร่างกายบางทียิ่งถ้าเราเป็นโรคนะเราเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจคอเลสเตอรอลหรือโรคอื่นๆบางทีถ้าเราตามใจปากไม่ใช่ตามใจปากนะตามใจใจมากกว่าปากมันถูกใจสั่งนะ มันก็อืเราก็อาจจะเพิ่มโรคนะเพิ่มความไม่เรียกเรียกว่าความความเสื่อมของร่างกายเนาะอืมใจเลยสิ่งที่ที่สําคัญมากนะใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราก็เอามารักษานะเอามารักษาตัวเราเองให้ร่างกายเขาเสื่อมเสื่อมช้าลงเนาะคงไม่ คงไม่ใช่ว่าไม่เสื่อมหลักเมทั้งเวลาเราปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะบางทีบางทีเราเองก็ทำให้ร่างกายมันทุกข์เกินกว่าที่มันควรจะเป็นอนะอยาจะมาเองตอนบางทีเราเราคิดเองหรือเราก็ไปเชื่อเองไม่เช่นเราโดนจงกรมนะจะถึงตอนนี้ยังแบบเป็นปัญหาเลยต้องสะบักมันติดเพราะว่าเวลาเดินจงกรมเราจับ มือไขว้หลังแล้วก็อยู่ในท่าเดิมน า, นานเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะเราคิดว่าการเปลี่ยนมือมันไม่ควร <c oughs> ไม่ควรทำหนึ่งจับแบบนี้ก็จับแบบนี้เออไว้นานๆ น, นะเป็นชั่วโมงพอทำมาเป็นหลายปีอนะ่เนี่ยมันก็เออมันก็สบับกนะมันก็มันก็ติดมันก็ไม่ใช่ใครทำนะเราเองนั่นแหละ อ่าใ่เราเองทำให้ตัวเองเป็นนะแต่ต่ น, นั้นเพราะาเราเชื่อว่า อ, อถ้าเราไม่เปลี่ยนมือบ่อยๆมันจะดีกว่าการเปลี่ยนมืออะไรนะอ่อ่าหรือนั่งเองบางทีก็แต่ก่อนนั่งสมาธิก็คิดว่ายิ่งแต่ก่อนนั่งขัดสมาธิแบบเพสต่ะฮะขัดกันขัดกัน แ, แรกๆก็ทนไม่ค่อยไหวแต่พอฝึกไปเลยก็ทน ทนได้เป็นตามสี่ชั่วโมงก็ ก, ก็ทําได้แต่ก็ก็อาศัยความอดทนนะอืมก็คิดว่ามันถ้าทนได้ทําได้น า, นานมันดีนะถ้าทําได้น้อยไม่ดีมันก็มันมีความรู้สึกว่าอะไรดีกว่าอันไหนดีน้อยกว่าหรือไม่ดีนะมันก็เป็นความคิดของเราเอง แต่แม้ทำได้เองเราก็ยังหลงไปดีใจว่าเราทำได้ทำไม่ได้เองเราก็หลงไปเสียใจว่าเราทำไม่ได้นะ <c oughs> เพราะการปฏิบัติจริงๆนะสติปัฏฐานพระเจ้าท่านบอกไว้เลยแต่บางทีเราบางทีเราอ่านครึ่งหนึ่งนะมีสติดูกายมีสติดูเวทนามีสติดูจิตมีสติดูธรรมอันนี้ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเราไปอ่านตอนท้ายจริงก็จะบอกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากมากบคือการดูดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งเนเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ถูกดูแต่คือดูเพื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ โรคในที่นี้ก็คือร่างกายก็จิตใจเราเนี่ยแหละนะเพราะเราดูเลยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็ถอนความพอใจความไม่พอใจก็คือความยึดมั่นในสิ่งตรงนี้ให้ได้นี่ดูเพื่อเห็นตรงนี้นะัน้นเวลาเราปฏิบททัติธรรมเวลาเราปฏิบัติล้วไปติดพอใจไอน้นี่ไม่พอใจไอ้นี่นะคือเราไม่ได้ถอนไม่ได้ถอนนะไม่ได้ถอน อารมณ์นะที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจออกไปนั่นเราต้องดูให้เห็นตรงนี้ว่าเออมันกําลังพอใจในความสุขหรือไม่พอใจในความทุกข์นะอันนี้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังบางทีนักปฏิบัติธรรมบางทีเราไม่ให้ที่จริงสิ่งที่ควรปฏิบคือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ทุกขนะ์น่ะแต่บางทีเราอยากจะหนีทุกข์ คือหนีทุกคือแบบเวลามันรู้สึกเป็นทุกข์อะไม่อยากไม่อยากอยู่เ mm. ช่นเราอยู่ในที่วุ่นวายเนอะไอ้วุ่นวายเนี่ยอาจจะเป็นข้างนอกวุ่นวายนะแต่ที่วุ่นวายจริงคือใจเราที่วุ่นวายใจเราที่เป็นทุกข์นะข้างนอกมันก็โดยธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแต่พอใจเราวุ่นวายใจมันเป็นทุกข์อะไอ้ที่อยากหนีเนี่ยไม่ใช่หนีที่วุ่นวายหรอก คือเราจะเกณฑหนีอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ที่มันหุ่นวายก็พาตัวเองอ อ, ออกไปออกไปจากที่นั้นเนี่ยนี่คือดูเราไม่ใช่เราไม่ให้เรียนรู้ทุกข์นะแต่เราอยากจะห น, นีให้ความทุกข์มันน้อยลงนี่ก็ต้องดูนะเวลาเรารู้สึกอย่างไรเวลาเราเจออารมณ์แล้วมันมันเป็นทุกข์นะมันไม่สบายใจบางทีเราก็จะ มีปฏิญาณในการที่จะหนีออกไปหรือมันเกิดความพอใจเกิดความสุขเนี่ยเราก็ชอบนะเช่นมันปฏิบัติแลมันมีความสุขมีความเบามีความสบายมีความรู้อ่ามีอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในตรงนั้นไปพอใจในสิ่งนั้นนไปแช่ในสิ่งนั้นเนี่ยก็คือเราก็เข้าเข้าไปหลงอีกแบบหนึ่งพูดไปจริงๆนะมีแต่หลง มีแต่ภาวนาไปเยอะจริงๆนะเห็นความหลงเยอะมากแต่ก่อนเราคิดว่าเราเป็นคนไม่ค่อยหลงนะแต่ภาวนาไปจริงๆกลายเป็นเราเห็นความหลงในตัวเองเยอะมากนะแต่ก่อนเราคิดว่าเราเป็นคนก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอาจจะดีมากกว่าไม่ดีไม่รู้รู้สึกยังไงมนะแต่พอภาวนาเป็นจริงเออไอ้ออไม่ดีเนี่ยก็เยอะมากเลยนะ อืมเยอะมากนะหุดหงิดนะแต่ก่อนไม่รู้ตัวเองหุดหงิดอาจจะโกรธค่อยรู้ต่อไปหุดหงิดกุดหงิดก็บ่อยนะแต่แต่ก่อนอาจจะไม่รู้กว่าตัวเองคนโลภนะเราก็ใจดีทําทานเสียสละนะแต่บางทีเราก็บาง น, นิดหน่อยเราก็อยากได้นะอืมอยากได้อ่าหรือแม้แต่บางที ไม่รู้พงคนเคยเป็นไหมอย่างตงมาแต่ก่อนก็รู้สึกไม่ไม่รู้สึกแต่แรกรู้สึกไม่ปกติรู้สึกเป็นปกติสมมุติสมมุติถ้ามีใครจะเอาถ้ามีใครจะรบกวนให้เราเอาของไปให้อีกคนนะเราจะรู้สึกดีเหมือนเราแค่เป็นทางผ่านนี่ก็ก็รู้สึกดีแล้วนะถ้าที่ยุบไม่เขาไม่ได้ให้เรานะเราแค่เป็นทางผ่านที่จะให้เขาเนี่ยก็ดีนะ แต่ถ้าวันหลังเขาไม่เอาเขาไม่ให้เราเป็นทางผ่านเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยดีละอืทั้งที่ของนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราได้เองหรือเราก็ไม่ได้เสียอะไรไปแต่ความรู้สึกแค่เราได้เป็นทางผ่านเป็นส่วนร่วมนั้นก็เออมันก็เป็นความรู้สึกเทางนั้นแล้วพอไม่ได้งั้นเราก็ไม่พอใจนิดหน่อยนะมันก็มีเออ อามาว่าแบบนี้ก็เป็นความโลภแบบหนึ่งเหมือนกันความโลภความรู้สึกเหมือนอยากนะอยากได้อะไรแบบเนี้ย น, นิดๆหน่อยๆหรือไม่แต่ของอะไรบางอย่างก็ก็อยากได้ไม่ใช่อยากจะใช้นะอยากจะได้ก็มีนะอะไรนะบางทีเราก็เห็นความหุดหงิดนะเห็นความอยากได้เล็กๆน้อย แล้วก็เห็นความหลงนะที่มันเกิดขึ้นนะมากมายภาวนาไปมันก็จะเห็นพวกนี้เยอะนะก็อย่าไปตกใจอา่าอย่าไปตกใจมาเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอนะ่าเป็นเรื่องที่จะจ้พูดว่าถ้าเจออ่ะดีนะมันคือของจริงนะของจริงทาไมพระเจ้าถึงพูดว่าการละความชั่ว การทำความดีทำกุศลสิ่งหนึ่งอีกอย่างคือการชำระจิตให้ข่าวรอบคือตรงนี้แหละเราเห็นความหลงเราเห็นกิเลสเราเห็นความไม่ดีในจิตใจเราเห็นความยึดติดถือมั่นต่างๆเนะี่ยเห็นละตอนนี้มันจะทำให้ชำระจิตให้ข่าวรอบคือตรงนี้นเห็นแล้วมันจะทำให้จิตมันสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นนะ เป็นปกติมากขึ้นนี่นคือมันค่อยๆชําระความเห็นผิดชําระความยึดติดชําระกิเลสชำละสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในใจนี่แหละมันออกไปทีละเล็กทีละน้อยนีนป่ปฏิบัติธรรมคือตรงนี้นะแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเรากบสิ่งไม่ดีไว้ข้างในเอาสมาธิมากบเอาบุริกรรมมากบ เอาความสุขมากบอะไรนะมันจะกบไว้แต่ข้างล่างเนี่ยมันมันแค่รอว่าไอ้ที่กบมันมันหายไปมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมอืมมันเนี่ยเรียกว่าเหมือนหินทับหญ้าเนาะมันหินออกไปก็ก็หญ้าก็ขึ้นเหมือนเดิมแต่ส่วนใหญ่เราไม่ไม่ขนาดหินเนี่ยทำล่ะเราแค่อะไรมามาทับชั่วคราวแล้วก็ทับได้ไม่นานดอกมันก็ออกเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนเดิม การทำแบบนั้นน่ะบางทีมยิ่งจะทำให้อารมณ์มันแรงกว่าเก่าคล้ายๆเหมือนเราขังหมาขังไว้สองวันสามวันนะปล่อยมาทีเนี่ยดุนะบางทีเราไปเข้ากรรมฐานแบบไปขังอารมณ์ตัวเองนะเคยให้ข่ม อ, ม, มอารมณ์นะข่มอารมณ์นะตัวเองมากๆพอออกจากกรรมฐานบางทีอารมณ์แรงกว่าเก่า อาจจะไม่ใช่เป็นคนชั่วร้ายมากนะแต่เอาง่ายนะไปอยู่วัดนะไปถือศีลแปดกินสองมื้อนะ่ะไม่ได้กินข้าวเย็นกินอาหารตามที่วัดเขาจัดให้ต้องกลับมาโดยสิยมก่อนกลับนี่เมนูขึ้นมาเยอะไหม <c oughs> กลับขึ้นมานี่แวะอะไรก่อน <c oughs> อืมอืมมัน มันก็จะมีเนี่ยมันมันผุดขึ้นมาเลยนะแล้วก็เหมือนบางคนนะัไปเข้าคอร์ส อ, นะ อ, อ, อดอาหารนะอืมคอร์สอดอาหารพอเสร็จคอร์สก็กลับมากินเหมือนเดิ ม, พมดเพราะมันอด่ยมันอดอืมอ่าแล้วพอกลับมาก็นั้นนันปฏิบัติแบบกดข่มอดทนหรือคมลงไว้บางทีมันยิ่งกลับมายิ่งยิ่งหนักกว่าเก่าอืมต้องระวังนะ แต่เราใช้วิธีว่าไม่ได้กดข่มแต่ถ้าเขาจะแสดงก็ปล่อยเขาแสดงแต่เราไม่เป็นผู้แสดงไปด้วยปล่อยให้อารมณ์มาแสดงเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูเขาแสดงน ะ, นะดูเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไระแล้วเขาก็จะอืมคล้ายเมื่อเราไปเดินมีคนมาขายของเราอ เราก็แค่ได้ยินเฉยๆแล้วก็เฉยๆไปนะเขาก็เซาซีเขาจะเชิญชวนนิดหน่อยแต่พอเขาเห็นว่าเราเฉยๆเดี๋ยวเขาก็เลิกตื้อเองแหละแต่ถ้าเราไปเริ่มเล่นกับเขาเอ๊ะนี้อะไรราคาเท่าไรนั่นนี่พวกนี้จะตื้อนานนะเพราะมันจะรู้สึกว่า เ, เราน่าจะสนใจใช่ไหมอือหรือบางทีเราพยายามไปห้ามไปด่าเขาอะ เราอีกก็หงุดหงิดใช่ไหมเราก็หงุดหงิด ต, ติดใจเขาไปแล้วนะแต่เรายังติดใจโมาที่นี่ตำคานนะเหมือนถ้าคนเคยไปอินเดียเยอเจอขอทานแล้วเป็นไง <c oughs> เจอขอทานอืมอืมบางคนเจอขอทานนะแล้วเนี่ยแหละไม่ชอบให้เขามาขอตัวเองนะหงุดหงิดตำคาญ บทีได้เขาไปแล้วอะได้เขาไปแล้วแต่ตัวเองยังบนเยอะยังบนเยอะอินเดียสกปรกขอทานเยอะนั่นนี่นะนอยบ่นเยอะขอทานเขาไปแล้วแต่ใจเรายังคุนมัวเยอะอันนี้คือเราก็พยายามไปห้ามไปบังคับมันก็ไม่ได้นะแต่จริงถ้าเราแค่มาใช้วิธีไม่เคยให้เงินขอทานนะจะขอก็ขอไปก็เดินยิ้มยิ้มไป <c oughs> ออเดินยิ้มไป มันก็ขอพอเรามันก็เล่นเ่นกับเราบ้างเราก็เล่นเล่นกับมันบ้างก็ไม่ได้จะให้แต่มันก็ไปอืมเราก็ไม่เสียอารมณ์ไอ้ขอทานก็ไม่เสียอารมณ์นะมันก็เออขอไม่ได้แต่เขาไม่ว่าเราก็มาว่าเขาก็รู้สึกดีเหมือนกันนะอืา <c oughs> นี่คือเราดูอารมณ์ตัเองก็ให้ดูคล้ายๆนะดูอืม เขาจะอะไรก็เรื่องของเขานะข้างในที่มันจะผุดขึ้นมาตัวเราก็ทำหน้าที่ดูแต่บางทีมันก็ไม่ดูเฉยๆตลอดหรอกนะบางทีมันหลงไปก่อนแล้วเราค่อยรู้ตัวฝึกอนะหลงไปอ่ะรู้ตัวกลับมาใหม่หลงไปรู้ตัวกลับมาใหม่ฝึกแบบนี้บ่อยๆเราก็จะชำนาญใกนการกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้สึกตัวนิดน่อ แต่ครั้กลับมาไม่ใช่การกระชากนะไม่ใช่การดึงไม่ใช่ดึงอารมณ์กลับมาไม่ใช่การพยายามต้องกลับมาแต่กลับมาจริงคือการเพียงแค่รู้ว่าตอนเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะแล้วมันจะใจมันจะดูจออกมาจากตรงนั้นนะแล้วถ้ากรรมาฐานตรงนั้นเราทําอะไรอยู่มันจะรู้ได้ว่าเออมันเคลื่อนไหวอยู่แบบนี้นะ มันเดินอยู่แบบนี้นะนะใจระลึกรู้ได้มันก็กลับมาเป็นปกติได้ละหรือมาต่อกับกรรมาฐานที่กําลังทําต่อได้แม้ความหลงเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ใช่ผิดตลอดอาจจะหลงไปแล้วแต่ตอนรู้ว่ามันหลงเลนี่ยก็คือถูกแล้วนะอืมถูกแล้วเนาะก็ไปลองทํากันต่อก่อนเนาะแล้วก็ วันนี้ทามว่าจะมีกิจกรรมนะแต่เป็นกิจกรรมที่เอาตามความสมัครใจนะใครจะอยู่ปฏิบัติต่อไปจนถึงเย็นสี่งเย็นก็ได้ไม่ร่วมกิจกรรมก็ได้แต่จะเป็นกิจกรรมเหมือนการฟังด้วยด้วยความรู้สึกตัวนะอาจจะมีการสอนทฤษฎีเรื่องการฟังด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็อาจจะมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลอง ต้องฝึกดูนะการฟังเรารู้สึกตัวมากน้อยขนาดไหน